เหมือนก็ว่าเสามีอยู่หรือบอกมีอะ้วเสาเป็นหญิงหรือเป็นชาย อ, นน อ, นนอนนคนตอบไหมเอาไว้ให้คนบ้าเขาคุยกันก็พอละเราไม่ต้องไปเพี้ยนตามหรอก น, อนนะเอามาขึ้นในข้อหนึ่งร้อยยี่สิบหน้าสองรอยสิบสามบอกว่ากรรมมาสูตรสูตรว่าด้วยเรื่องกรรมว่าเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำละทิ้งพบมนุษย์ไปอะไรเล่าเป็นสมบัติของเขา เขาจะนําอะไรไปอันหนึ่งอะไรเล่าจะติดตามเข้าไปเหมือนเงาติดตามตัวไปอันนี้เป็นคําถามคําตอบก็คือว่าสัตว์ในโลกนี้ทํากรรมอันใดไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปทั้งสองอย่างบุญบาปนั่นแหละเป็นสมบัติของเขาเขาก็จะนําบุญและบาปนี่แหละไปได้บุญและบาปนั่นแหละย่อมติดตามตัวเข้าไปเหมือนเงาติดตามตัวอะไรก็สุดแท้แต่บุญบาปก็จะไปยังไงจะภาษาธรรมะเนี่ยบุญบาปเขาเรียกว่ากรรมใช่ไหม ยถากรรมก็เป็นไปตามบุญตามบาปนะสุดแท้แต่บุญบาปก็ เ, กเลยภาษาไทยก็ใช้คําว่ายะถากรรมอนะแต่ทีนี้ยถากรรมคนยุคแรกๆที่พูดเขาเข้าใจว่าเป็นสำนวนในพระไตรปดกอัตกถาเขาเข้าใจแต่คนสมัยใหม่ก็สุดแท้แต่กรรมกรรมจะบันดาลกรรมจะเสกและกรรมคืออะไรยังก็ไม่รู้เพราะแยกแยะคําว่ากรรมและแยกแยะผลของกรรมไม่ออกแต่นี้หมายค ว, าว่าคนที่เข้าใจก็สุดแท้แต่บุญสุดแท้แต่บาปบุญบาปนี่แหละเป็นตัวจัดแจงเขา เพราะบุญบาปติดตามเข้าไปเหมือนเงาติดตามตัวอย่างบุญบาปมันตามให้ผลที่ไหนให้ผลที่จักรคูวิญญาณบุญบาปตามให้ผลที่โสตะวิญญาณบุญบาปตามให้ผลที่คานะวิญญาณตามที่ชิวหาวิญญาณที่กายยะวิญญาณที่สัมปติชนะสันทิรณะให้ผลที่ผวังให้ผลที่กรรมมชรูปเป็นต้นเนี่ยนะพันธบุญบาปนี่จะติดตามเข้าไปพร้อมที่จะแปรสภาพผลบุญก็ติดตามให้ผลได้ผลบาปก็ ให้ผลได้เพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างเป็นสมบัติของเราเนี่ยนะเราจะเลือกเอาอะไระไปเลือกเอาของไม่ดีหรือเราก็ใช้แต่ของไม่ดีต่อไปใช่ถ้าเลือกเอาของดีฉันใดก็ดีเราก็ได้ใช้แต่ของดีถ้าเราเลือกทำชั่วเราก็เท่ากับเลือกที่จะสเสวยวิบากแห่งความชั่วถ้าเราเลือกทำความดีก็เลือกสเสวยผลแห่งความดีก็สุดแท้แต่ว่าทาเอาอนนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นกรรมอนนะการกระทาทางกายวาจาเป็น เหตุกายวาจาใจาเป็นเหตุก็เหตุเหล่านี้เราจะรับวิบากอะไรก็เลือกทำเนี่ยนะผู้มีปัญญาเขาเลือกทําเหมือนบุรุษผู้มีตาดีเลือกเดินเรื่องอะไรเขาจะไปเหยียบน้ําใช่ไหมอีกสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งในสมัยนั้นสมัยนั้นหมายคาอว่าคนคนทาลเนี่ยนะคนที่ทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยนะทีนี้ทําไปแล้วเนี่ยเกิดก่อนตาย เกิดขึ้นสมัยนั้นบาปปกรรมที่คนทำคนพาลทําไว้ก่อนหน้านั้นนะทความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจความชั่วที่เคยทาก็หน่วงเหนียวโน้มนำคนพาลผู้ขึ้นสู่ตั้งเป็นที่ตายขึ้นสู่เตียงเป็นที่ตายหรือนอนอยู่บนพื้นดินไหมคราะว่าก่อนตายเนี่ยกระเซลอกระเซลก่อนตายเนี่ยบางคนก็ตายบนตัง้งบางคนก็ตายบนเตียงบางคนก็ตายบนดินทีนี้มันก็ระลึกถึงความหลังใช่ไหม ก่อนตายนี่โดยมากคนจะระลึกถึงความหลังครั้งเคยทำความชั่วด้วยกายครั้งเคยทำความชั่วด้วยวาจาครั้งเคยคิดชั่วด้วยใจเนิกถึงความชั่วทางกายวาจาและใจที่ตัวเองเคยทำมาความชั่วเหล่านั้นก็มามาครอบงำท่วมทับคนพานลยเนี่ยนะเรียกว่านวงเหนียวครอบงำไว้เหมือนอะไรเปรียบเหมือนเงาของยอดภูเขาใหญ่ย่อมเงื้อมบดบังครอบคลุมพื้นดินในเวลาเย็นฉันใด สมัยที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะมันดวงอาทิตย์ยังไม่ตกแต่ว่าแม้ที่อยู่เนี่ยมันจะดูค่ําเร็วมากเพราะอะไรเพราะเงาของภูเขามันเงาของภูเขาเนี่ยมันปิดมันบังฉันใดคนพ่านเนี่ยนะก็เหมือนกันฉันนั้นสมัยที่นอนขึ้นสู่เตียงเป็นที่เกือบตายเนี่ยนะตั้งที่เกือบตายหรือนอนบนแผ่นดินที่เกือบตายในตอนนั้นคนพาน น, นะความชั่วทางกายวาจาใจก็มาครอบงําท่วมทับเขา เขาระลึกถึงแต่ความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ฉะนั้นมันในอาการที่ปรากฏนั้นนะ น, นะาว่าไอ้ที่มาครอบงาก่อนตายเนี่ยคนพานคิดยังไงคนพานมีความคิดอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำกรรมดีอันใดไว้หนอะเราไม่ได้ทำกุศลเอาไว้ไม่ได้ทำความดีเป็นที่ป้องกันความกลัวในเวลาใกล้ตายไว้เลยเราทำแต่กรรมชั่วทำแต่กรรมโหดร้ายทำแต่กรรมหยาบชา เราตายแล้วจะต้องไปสู่คติของผู้ที่ไม่ได้ทํากรรมดีเอาไว้ไม่ได้ทํากุศลเอาไว้ไม่ได้ทําความดีที่ป้องกันความกลัวตายเอาไว้ทําแต่ความชั่วทําแต่กรรมโหดร้ายทําแต่กรรมหยาบช้าเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนร่รําไรทุบอกคร่ําครวนหลงลืมสติคําว่าหลงลืมสตินึกหาความดีไม่เจอเลยฮะนึกถึงได้แต่ความชั่วยิ่งนึกยิ่งเศร้าเขามันหลับตาเห็น หลับตาเห็นโลกหน้าลืมตาเห็นโลกนี่หลับตานึกถึงแต่ความชั่วลืมตาก็ห่วงหาอาวรู้เดี๋ยวบางคนเนี่ยว่าขอเห็นหน้าคนนั้นก่อนแล้วค่อยตายอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเห็นเราจะไปไหนเนาะเนี่ยถ้าเห็นขอเห็นหน้าพระพุทธเจ้าก่อนไปเอาภาพพระพุทธรูปมาเร็วอย่างเงี้ยนะจะดูก่อนไปอย่างเงี้ยเอาภาพพระาธาตุมาเอาภาพพระเจดีอ ย, อย์มาค่อยยางชั่วหน่อยใช่ไหม ขอฟังทำก่อนตายเป็นต้นนะขอเห็นพระเจดีขอไหว้พระก่อนตายขอฟังทำก่อนตายเดี๋ยวขอสวดมนต์ก่อนตายค่อยอยังชั่ว น, นะปัญหาไม่เป็นอย่างนั้นดิเราเลึกถึงขอเห็นหน้าคน น, นนั้นเห็นหน้าคนนี้เห็นหน้าแล้วก็ราลึกถึงความหลังไ ง, งนะเสเร็จแล้วถ้าความหลังที่ทําบุญก็ค่อยอยังชั่วความหลังครั้งทําบาปเก่าแก่แล้วก็ยากแล้วค่ะนี่ก็อ ย, อย่าลืมนะนึกถึงความชั่วตัวใดความชั่วตัวนั้นนําเกิดนึกถึงความชั่วด้วยกายความชั่วทางกายนําเกิดนึกถึงความชั่วทางวาจา ความชั่วทางวาจานําเกิดนึกถึงความคิดที่ชั่วๆความคิดเหล่านั้นจะนําเกิดกรรมตัวนั้นจะเป็นชนะกรรมจะนําเกิดมันก็นึกถึงตัวไหนก็ตัวนั้นนําเกิดเนี่ยนะก็แหมอย่าเพลอไปนึกถึงความชั่วก่อนตายเข้าล่ะเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งในสมัยนั้นสมัยไหนสมัยที่บัณฑิตเนี่ยนะบัณฑิตเนี่ยขึ้นสู่เตียงตั้งเป็นที่ตาย อันนั้บัณฑิตคือพานบัณฑิตเกิดมามันก็ตายเหมือนกันหมดอ่ะนะแต่ว่าพอบัณฑิตขึ้นสู่ตั้งเป็นที่ตายเตียงพี่เกือบตายแล้วนอนอยู่บนแผ่นดินกระแสีวกะแสี่ยวก็ตายแล้วสมัยนั้นกรรมที่ดีไม่ว่าจะเป็นความดีทางกายทางวาจาทางใจที่บัณฑิตเคยทําเอาไว้ในการก่อนก็น่วงเหนียวโน้มทําให้ละลึกถึงความดีที่ทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เช่นเจดีโนนก็ไปกราบไปไหว้ไปสันเซิญไปสวดมนต์มาแล้วเนี่ยนะไปเจริญพุทธานุสติณนะที่ตรงนั้นเคยไปให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นก็ตามละเลิกถึงความดีที่เคยทำมาเพราะนั้นเวลาก่อนตายเนี่ยนะความดีเขาทำก็เปรียบเหมือนกับเงาของภูเขานี่มาท่วมทับย่อมเงื้อมบทบังครอบคลุมพื้นดินในเวลาเย็นฉันใด คือคนที่ทําบุญไว้เยอะเนี่ยนะเวลาก่อนตายมันก่อนตายยังไงมันก็นึกถึงแต่บุญเน่ยนะอย่างที่พระโพธิสัตว์บอกว่าเราเนี่ยมันนึกถึงความชั่วไม่ได้เราทําแต่ความดีทําไมเรากลัวตายไปทําไมเพราะเาลึกถึงแต่สุดจริตกรรมที่ตัวเองทํามาความดีที่เคยทำเนี่ยมาครอบงําท่วมทับ เพราะอะไรเพราะบัณฑิตนี้เขาทําความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจยไว้มากแล้วเนี่ยนะความดีเหล่านั้นเนี่ยนะเวลาก่อนจะตายขึ้นสู่ตังเป็นที่ตายขึ้นสู่เตียงเป็นที่ตายขึ้นอยู่บนนอนบนแผ่นดินเป็นที่ตายก็ระลึกถึงความดีทางกายวาจาใจที่เคยทำเอาไว้แล้วเนี่ยนะมันใครที่เคยกราบเคยไหว้เคยสวดมนต์หรือก่อนตายสวดมนต์ก็ได้อิติปิโสปะคะวะระหังซัมมาเรมาเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาบาลีก็ได้จเจริญพุทธคุณจนกว่า จุติจิตจะเกิดเนี่ยนะว่าถ้ายัางไ้ก็สุขติเป็นที่หวังทีนี้ไอ้ความดีที่เคยทำเอาไว้เนี่ยนะถ้าทำความดีทางกายวาจาใจใดจนชำนาญเอาไว้บัณฑิตเขาก็จะคิดว่าเรานี่ไม่ได้ทำบา ป, ปรกรรมเอาไว้เลยไม่ได้ทำกรรมโหดร้ายไม่ได้ทำกรรมหยาบช้าเราทำแต่ความดีเราทำแต่กรรมดีทำแต่กุศลทำแต่ความดีเป็นที่ป้องกันความกลัวในเวลาใกล้ตายไอ้ที่ทาดีทั้งหมดก่อนหน้านี้ก็เพื่อรอวันนี้แหละ เพื่อจะนึกออกในเวลาใกล้ตายเนี่ยนะทำนั้นของเราทั้งหลายที่ทำํำทำก็จะเอาตัวไหนนะก็ต้องเลือกทําอะไรที่แม่นแม่นเหมาะเหมาะสักอันหนึ่งที่เรียกว่าก่อนตายขอคว้าตัวนี้แหละไปว่างั้นเราเลือกให้ได้นะเลือกเนาะเลือกคว้าอะไรสักอย่างนะให้มันว่าก่อนตายนึกเอาตัวนี้แหละเป็นสะพานต่อไปเนี่ยนะ ในอาการที่ปรากฏนั้นบัณฑิตก็นึกถึงแต่ว่าเราไม่ได้ทําความชั่วเลยเป็นต้นเขาจะไม่เศร้าโศกไม่เดือดร้อนไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่ข่ํมขวนไม่หลงลืมสติเพราะบัณฑิตนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทําบุญไว้แล้วเราไม่ได้ทําบาปแต่ถ้าบางคนว่าทําบาปไว้บ้างบุญก็บ้างโอ้บาปก็ทําแต่ว่าเอาไว้ก่อนก็บอกยังไม่มีธุระไม่ให้พบเหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องพบทางหางไปก่อนเดี๋ยวว่าหลังค่อยคุยกัน อาเนี้เอาบุญก่อนเหมือ NO, นกะันนะเนี่ยพอเรานี่ทําแต่บุญไว้ไม่ได้ทําบาปเราตายแล้วจะได้เสวยคติแห่งภพของผู้ที่ไม่ได้ทํากรรมอันหยาบช้าเพราะฉะนั้นถ้าเราทําแต่ความดีเรื่องอะไรจะไปเสวยผลแห่งบาปใช่ไหมเพราะเราอามีแต่ความดีเพราะเราไปในภพที่ไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทํากรรมที่โหดร้าย ไ, ไปอยู่ในภพที่ไม่ได้ทํากรรมที่หยาบช้าเพราะเราทําแต่บุญทําแต่กุศลทําแต่คุณงามความดีที่เป็นกัน เป็นเครื่องป้องกันความขลาดความกลัวในเวลาใกล้ตาย เขาย่อมไม่เกิดความวิปฏิสารเดือดร้อนใจเลยเขาจะไม่เสียใจจะไม่เศร้าใจไม่ลําบากใจแม้ความเป็นมนุษย์เราเนี่เลวจริงหนอเราไม่ได้ทําความดีไว้เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นดีใจแล้วโอ้ชาตินี้เนี่ยถือว่ากําไรอย่างเดียวเนี่ยนะกําไรบุญกำไรกุศลสร้างบุญสร้างกุศลเป็นเครื่องป้องกันความขาดความกลัวไว้เยอะแยะไปหมดเลยนึกถึงตรงไหนมั่งที่เราจะไปนรกไม่มีอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเจริญบุญเจริญกุศลเอาไว้เต็มที่แล้ว ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสตรีบุรุษครือัดบรรปชิตผู้ไม่มีความวิปฏิสานใครที่ไม่เดือดร้อนใจก่อนตายเพราะระลึกถึงคุณงามความดีได้อย่างนี้เรียกว่าตายดีทํากาลกิริยาที่ดีอันนี้เป็นกรรมสูตรสูตรที่กล่าวถึงกรรมก็สุดแท้นะว่าชีวิตชาตินี้เลือกทําความดีทางกายวาจาใจหรือเลือกที่จะทําความชั่วทางกายวาจาและใจแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อย่าคิดนะว่าเราจะลืม ร้ายอย่างแกล้งทําเป็นลืมหลอกคนอื่นได้ว่าเราลืมไปแล้วแต่หลอกตัวเองไม่ได้หรอกว่างๆก็ผุดขึ้นมาทีละอย่างสองอย่างมันผุดมาเรื่อยใช่ไหมน้าลดลงอะไรโผล่ขึ้นมาต่อไม้ก็โผล่ขึ้นมาฉันใดยิ่งคนชราหน่อยมากหน่อยนะความหลังครั้งเก่าแก่นี่โผล่มาหมดเลยเนี่ยเคยไปทําที่ไหนกะใครเมื่ออะไรอย่างไรไปเที่ยวที่ไหนมันแวบขึ้นมาเล่านะถ้ามีหลานคนหนึ่งมานั่งฟังให้จะโปรดปรานมากอนะเ พ, <อ S 1> พราะอะไรเพราะทามาเยอะแล้วเนี่ยนะ เล่าไปเหอะเขามานี่ขี้เกียจฟังจริงๆเลยคนละอายุมากๆเล่าเนี่ยมันเล่าให้มันเป็นอะไรกันบ้างยาวเหยเนี่ยนะเหนื่อยจริงๆเลยยังไะไม่รู้ว่ยี่สิบนาทียังก็เล่ามาแล้วสามชั่วโมงกันเลยที่เขาโดยชั่วโมงก็ไม่เนินานอะไรหรอกคือไม่ใช่อะไรไม่ได้เล่าอริยสัจไม่ได้โอ้ตอนนั้นไปพิจารณาเห็นอริยสัจตอนนั้นนะโอ้พสูตนั้นดีเหลือเกินเนี่ยข่อยังชั่วเนี่ยมันน่าฟังหน่อยเล่าแต่ความชั่วทางกายทางวาจาทางใจ ไม่ได้เป็นสัพพรสอะไรเลยเนี่ยนะแล้วก็อะไรนะเขาบอกว่าเออนี่นะดีนะไปเล่าก่อนตายแล้วไปไม่ดีแนะ่บางคนเนี่ยทำความชั่วมาเยอะแยะอะไรก็บอกโอ๊ยเขาไม่เคยทําชั่วอะไรก็ว่ากันรู้จักดีชั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าพิสุททั้งหลายทุจริตเหล่านี้มีสามประการสามประการอะไรบ้างทุจริตนะความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจทุจริตสามประการเหล่านี้แหล เพกสูทั้งหลายความดีสุจริตความประพฤติดีสามอย่างเหล่านี้สมอย่างอะไรบ้างความสุจริตทางกายความสุจริตทางวาจาแล้วก็ความสุจริตทางใจสุจริตสามประการเหล่านี้แลเนี่ยนะอันนี้เรียกว่ากรรมมาสูตรสูตรที่กล่าวถึงกรรมเพราะว่ากรรมชั่วก็กรรมชั่วก็คือเ จ, จออตนาที่ประพฤติทางกายวาจาใจกรรมดีก็คือเจตนาที่ประพฤติทางกายวาจาใจมันกระดกล่นหนึ่งคำเนี่ยนะพลดออกมานี่ก็ ไม่ดีก็ชั่วความคิดหนึ่งความคิดดิเวบขึ้นมาไม่ดีก็ชั่วขยับตัวหนึ่งครั้งถ้าไม่บุญก็บาปมันก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละนะ ก, ก็วันหนึ่งเนี่ยนะก็ขยับไปทางไหนมากนะขยับกายขยับวาจาขยับใจให้เป็นอะไรก็คิดเอากันแล้วกันว่าควรจะสเสวยวิบากยังไงเราควรจะร้องเรียกเอาผลแบบไหนมันตามราคานะมันตามราคาตามเจตนาที่ทำํำเจตนาเช่นใดเนี่ยนะครับเจตนาเช่นใดก็จะได้วิบากเช่นนั้น น, นะเช่นวิบากวิบาก น, นะวิบากที่มาเกิดขึ้นพระองค์ก็ตรัสถึงวิบากที่เป็นผลแห่งบุญคืออะไรบ้างยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสชื่นชมภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ดีแล้วเนี่ยนะเป็นลาภก็คือที่เธอได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเธอเป็นลาภเป็นการได้ที่ได้โดยยากมากและเป็นการได้ดีด้วยนะเป็นมนุษย์ที่ตั้งมั่นอยู่ในจตุ ป, ปาริสุสทิศีลบาติโมขสังวออินทรียสังวอนโภชเนมตันยุต อินทรียสังวณอาชีวะปริสุทธิ์สุดที่ศีลปัจยสันนิสิตศีลเธอทําความบริสุทธิ์แห่งศีลทั้งสี่ประการให้บริบูรณ์ขณะเดียวกันเนี่ยเธอทั้งหลายได้ขณะที่เก้าคือขณะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเป็นสมัยที่เพื่อประพฤติมัคคปรมจันทร์ประพฤติอริยมรรต์เนี่ยนะประพฤติศีลสมาธิปัญญาเพื่อโซดาปฏิมัสกาธาคามิมักอนาคามิมักสิ่งเหล่านี้ชื่อว่าเป็นการได้ดีแล้ว พิสูจทั้งหลายเราเห็นสัตว์นรกชื่อว่าภาษายัาายตานิกะหกขุมหกขุมอะไรบ้างในนรกหกขุมนั้นสัตว์เห็นสัตว์เขาบอกว่าสัตว์ย่อมเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตาเห็น<ด>แต่เฉพาะรูปที่ไม่น่าปรารถนาเห็น<ๆ>แต่เฉพาะรูปไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเห็นเฉพาะรูปที่ไม่น่าใครไม่เห็นรูปที่น่าใครเห็นเฉพาะรูปที่ไม่น่าพอใจไม่เห็นรูปที่น่า พอใจสรุปว่าทวารตาถ้าลืมตาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เห็นแต่สิ่งที่น่าสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจเห็นแต่สิ่งที่น่ารังเกียร์และน่าขยะข ย, ะข ย, ะยงเป็นต้นเห็นอะไรก็เห็นสัตว์นรกด้วยกันถูกฆ่าถูกฟาดถูกฟันถูกหันก่นถูกเป็นต้นเนี่ยนะก็เห็นแต่ไฟไหม้ก็เหมือนกับว่าอะไรนะที่ที่ถนนที่ไฟไหม้อะนะอันนั้นมันเห็นอย่างนั้นทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีจะว่าไงเห็นแล้วหลายหมื่นปีนั้นทุกทวารเนี่ยทวารตาก็เห็นแต่ภาพที่ เลือดอาบเลือดท่วมไฟไหม้ลุกโชดช่วงไปต้นเนี่ยนะทะวารหูได้ได้ฟังแต่เสียงร้องโหยโหวนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฟังแต่ร้องโอดครวนคร่ำครวนทวารจมูกก็ดมแต่กลิ่นชนิดที่เรียกว่าดมปุ๊บก็ปวดหัวขึ้นมาชนิดที่ทนไม่ได้เลยนะทะวารลิ้นก็รับแต่รสที่ไม่ดีรับรสอะไรรับรสก้อนไฟนงแดงมาวางบนลิ้นเนี่ยนะ แล้วก็ทวารกายนะทวารกายก็มีแต่ความเจ็บความปวดเนื้อคิดทางไหนก็นึกถึงแต่ความชั่วที่ตัวเองเคยทำมาแล้วเลือกได้นะมันจำได้นะเออเนี่ยความชั่วนี้เคยทำไว้อย่างนี้มะที่นั่นไม่น่าเลยนึกถึงแต่ความชั่วที่ตัวเองเคยทำมาเป็นต้นสรุปทวารตาเ็เห็นสีแต่ที่ไม่น่าปรารถนาทวารหูก็าฟังแต่เสียงที่ไม่น่าไม่น่าฟังเนี่ยนะพเพราะรีบฟังทมเอาไว้ให้เยอะๆเดี๋ยวต่อไปก็ไปทนะอดฟังเลยนะ กระเรีบศึกษาเรีบขวนขวายสแสวงหาเพื่อจะศึกษาพระธรรมอาไวะให้ยเยอะๆไม่อางนั้นนี่ก็เดือดร้อนแน่อะไรให้ไปขอผลัดวันประกันพุ่งกับใครนะอุทธรได้ไหมไม่ได้นะอุทธรแปลว่าอะไเมืองแว้คุยหลังไม่ก่อ น, น <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ขวนขวายอย่เถอะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันก็อีกนานไหมอย่างว่านรกกับสวรรค์อย่างว่าอีกนานไหม ใครจะรู้ว่าเย็นนี้พรุ่งนี้ปรลินนี้ปีนี้ปีหน้าอีกสามปีข้างหน้าสิบปียี่สิบปีแต่ก็เชื่อเหอะไม่เกินร้อยปีถ้าร้อยปีก็อีกถ้าบวกอีกร้อยปีก็อายุคนละร้อยห้าหกเจ็ดแปดสิบแล้วนะไม่ไหวแล้วขนาด น, น, นั้นก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ไม่นานเนี่ยนะโยมก็เล่าให้ฟังบอกวโอ้ยเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนี่เองบัดนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะ ตอนเมื่อก่อนเนี่ยนะกระจกนี่มันน่ารักน่าชมมากตอนนี้กระจกนี่น่ากลัวน่าขยะกข ย, ยั่งน่ารังเกียจยอมคนหนึ่งแทบจะปิดกระจกไว้หมดในบ้านไม่ให้มีกระจกสักอันหนึ่งนะเดินไปเจอกระจกที่ห้างสรรพสินค้าตกใจนึกว่าใครเดินมาเงินสะดุ้งเลยก็เออเราเลยเนี่ยเหมือนกันนะตกใจมากเลยนะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเราเห็นสวรรค์ชื่อว่าภาษายตนิกะหกชั้น ในสวรรค์ทั้งหกชั้นนั้นสัตว์เห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทวารตาก็เห็นเฉพาะรูปที่น่าปรารถนาไม่ได้เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาเห็นเฉพาะรูปที่น่าใคร่ไม่เห็นรูปที่ไม่น่าใคร่เห็นแต่รูปที่น่าพอใจไม่เห็นรูปที่ไม่น่าพอใจทวารหูก็ฟังแต่เสียงที่น่าพอใจทวารจมูกก็รู้แต่กลิ่นที่น่าพอใจทวารลิ้นก็ลิ้มแต่รสที่น่าพอใจทวารกายก็รับแต่กระทบโพธะที่น่าพอใจทวารใจธรรมรมณ์ ก็รับรู้แต่สิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจพิสุทั้งหลายเป็นลาภของเธอทั้งหลายแล้วที่เธอได้มาเกิดเป็นมนุษย์เธอได้ดีแล้วที่ได้บำเพ็ญจตุปาริสุทิสีนณ์อั น, น, นขณะที่ก้าวเธอได้แล้วคือขณะที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพื่อเธอจะได้ประพฤติมัคคพรมจันทร์นั้นเป็นการได้ดีแล้วในที่เธอรู้ทั้งผลบุญผลบาปท่านนรกก็รับแต่ ผลบาปอย่างเดียวสวรรค์ก็สวรแต่ผลบุญอย่างเดียวแต่เป็นมนุษย์รู้ทั้งดีรู้ทั้งชั่วรับทั้งผลบุญทั้งผลบาปจะได้ประพฤติธปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความตรัสรู้โสดาปฏิมักเป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านี้จึงเป็นความดีอีกสูตรหนึ่งในน่นะสัตว์นรกเขากล่าวเขกล่าวว่าพวกเราเนี่ยนะหมกไหมอยู่ในนรกถึงหกหมื่นปีเต็มแล้วเมื่ อ, อไรจกสิ้นสุดหนอ แล้วก็เรียกว่าเป็นบุตรของเศรษฐีกันนะบุตรเศรษฐีก็มีทรัพย์มากชวนเพื่อนไปดื่มเหล้าเคล้านารีผิดกาเมเป็นต้นมากมายก็เลยตกนรกกระทะทองแดงก็ว่างั้นนะเรียกว่าค่อยๆสูบลงเนะี่ยเหมือนต้มข้าวเนะี่ยมันมุดจมค่อยๆจมลง 30,000 ืปีโผล่ขึ้นมาอีก3ปีมุดลงอีก 30,000 ปีไม่รู้กี่รอบก็ไม่รู้วัะนั้นเราบอกโอ้ยหก0 0 0ปีแล้วเพื่อนเอ้ยเมื่ อ, อไหร่จะสิ้นสุด สัดนรกอีกคนเขาบอก ว, ว่าความสิ้นสุดย่อมไม่มีความสิ้นสุดมันจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่มันจะจบเคาว่างั้นาาที่สุดไม่ปรากฏเพื่อนยากเอ้ยในการนั้นเราจะเรากับท่านอะ่ะมัวแต่ทาความชั่วว่างั้นนะเขาคุยกนะันได้นรกเขาก็รู้เรื่องกันเว่ากันนะสื่อกันได้แต่ว่าแหมนึกถึงก็เศร้าเลยนะแต่ทําทความชั่วร่วมกันณนะที่นั้นที่นี้เป็นต้นเนี่ยนะแต่เจอคนที่ทําบุญร่วมกันเขายัางชั่วมันพอละเลิกเห็นหน้าปั๊บหนึ่งนึกถึงบุญได้บ้างนะ เป็นนึกถึงคนที่ทำความชั่วมาด้วยกันนะโอ้ยไปเป็นฝูงเลยเอาปลาเขาก็ขายเป็นไปจับเป็นฝูงเลยนะตายเป็นฝูงเหมือนกันแต่ละโซนเกสูตรห่งสูตรที่กล่าวทั้งกรรมและวิบากเนี่ยนะกล่าวทั้งผลบุญผลแห่งอ น, นะกล่าวทั้งกรรมแล้วก็กล่าวทั้งผลของกรรมดัางที่พระองค์ตรัสว่า บุคคลใดเป็นผู้ประมาทมีปกติประพฤติธอธรรมก็คือทำความชั่วด้วยกายวาจาใจเนะีนะ่ยนะย่อมไปสู่ทุกขติใดๆอธรรมที่เขาประพฤตินั้นย่อมเบียดเบียนบุคคลนั้นในทุกขตินั้นๆเหมือนงูเห่าที่ตนอุ้มเอาไว้นะอุ้มงูเหา่างูเหา่ามันก็ไม่ได้นี่หรอกนะมันก็กัดเอามันก็ฉกเอาฉันใดาบา ป, ปรกรรมที่เราทำไว้แล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็ตามไปเล่นงานที่นั่นสภาพทั้งสองคือ ธรรมและอธรรมธรรมก็คือกุศลกรรมบทนะนะอธรรมก็คืออกุศลกรรมบทจะให้ผลไม่เหมือนกันอธรรมย่อมนําไปสู่นรกส่วนกุศลธรรมนํานให้ถึงสุขเติอันนี้คือแสดงทั้งผลบุญและผลบาปอีกสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยคําว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขที่น่าปรารถนาะน่าใคร่น่ารักน่าพอใจเนี่ยนะ ไม่ต้องกลัวบุญรอกบางคนว่าอุ้ยทำบุญมาเยอะแล้วพอแล้วห่วงันะอย่าไปคิดอย่างนั้นหเรานี่นะพระองค์ก็เล่าว่าเราเนี่ยในอดีตตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เรารู้ผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจของบุญที่เราทำไว้ตลอดกาลนานเราเจริญเมตตาพรหมวิหารเจปีไม่กลับมาเกิดในโลกนี้ถึงเจสังวัตกับวิวัตกับ ตอนนี้ก็แปลว่าท่านเกิดในพรหมประมาณเจ็กับมานะเป็นมหากลับได้ยินว่าเมื่อกับพินา้าเราเกิดอยู่ในพรห ม, มโลกชั้นอาภัสระเมื่อกับเจริญขึ้นใหม่เราบาังเกิดอยู่ในพรหมวิมานที่เงียบสงบเพิกศูนทั้งหลายณนะพรหมวิมานนั้นเราเป็นพรหมที่เรียกว่ามหาพรหมยิ่งใหญ่เหนือใครๆรู้เห็นเรื่องต่างๆอย่างแท้จริงสามารถทําให้เป็นไปตามอํานาจของตนได้อันนี้ก็คือผลของการเจริญเมตตาที่ทำให้เกิดใน อาพัสรพรมแล้วก็ยังมาเกิดในเป็นเท้ามหาพรมจุติจากพรมเราเคยเป็นเท้าสักกะจอมเทพคือเป็นพระอินทร์สามสิบหกครั้งเคยเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิธรรมราชาผู้ปกครองทวีปทั้งสี่ชนะศัตรูแว่นแคว้นอันมั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการนับได้หลายร้อยครั้งไม่จำต้องกล่าวถึงการเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เฉพาะประเทศราชเลยหมายความว่าแผ่นดินแบบธรมธรมดาธรรมดาพระเจ้าแผ่นดินเมืองโน้น ôn, เมืองนี้เป็นต้นไม่จําต้องพูดถึงว่าเกิดกี่ครั้งภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ตอนเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากนี้ด้วยผลของกรรมและวิบากของกรรมอะไรเนอะภิกษุทั้งหลายเราทราบได้ว่าบัดนี้ เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้ด้วยผลของกรรมและวิบากของกรรมสามประการคือการให้ทานการข่มอินทรีย์และการสำรวมก็คือทานศีลภาวนานั่นแหละในที่นั้นการให้ทานการข่มอินทรีย์และการสำรวมชื่อว่ากรรมผลที่ท่านได้เสวยซึ่งกรรมสาประการนั้นชื่อว่าวิบากแม้แต่ในจุลกรร ม, มวิพังกสูตรก็นัยยะเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าตรัสกับโสภามานพ บทของเตอร์ทยพรามว่าทำที่เป็นไปเพื่อความมีอายุน้อยและอายุยืนนะกรรมที่เป็นไปเพื่ออายุน้อยอายุยืนกรรมที่เป็นไปเพื่อมีโรคมากโรคน้อยกรรมที่เป็นไปเพื่อมีศักดน้อยศัก์ใหญ่กรรมที่เป็นไปเพื่อมีผิวพันธ์ดีผิวพันธ์ามกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงตระกูลต่ำกรรมที่เป็นเหตุให้มีโภกสมบัติมากกับพภกสมบัติน้อยกรรมที่ทาให้มีปัญญามากกรรมที่ทาให้มี ปัญญาน้อยกรรมอะไรทําให้มีอายุยืนและอายุสั้นผู้ที่ฆ่าสัตว์เป็นเหตุให้อายุสั้นจริงๆนะการฆ่าสัตว์เนี่ยทำให้ตกนรกก่อนถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีอายุสั้นถ้าเว้นจากการฆ่าสัตว์ทําให้เกิดในสุขติถ้ามากลับมาเป็นมนุษย์ก็ทําให้มีอายุยืนผู้ที่เบียดเบียนสัตว์ก็เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกติวันนี้บาดนรกถ้ากลับมาเป็นมนุษย์ก็เป็นคนที่มีโรคมากถ้าไม่เบียดเบียนสัตว์ทําให้มีโรคน้อยใครที่ช่างิษยา ก็มีสักน้อยใครที่มุ้ิทตาก็มีสักใหญ่ใครที่เป็นคนมักโกรธก็ผิวพรรณสามใครที่ไม่มักโกรธก็มีผิวพรรณดีใครที่เย่อหยิ่งจองหองก็ตระกูลต่ำใครที่นอบน้อมก็ตระกูลสูงใครที่ให้ทานก็มีพวุคสมบัติมากใครที่ตณีทีเหนียวก็มีพวุคสมบัติน้อยใครที่ใยรู้ก็ปัญญามากใครที่หมายคือว่าคบบัณฑิตเนี่ยนะยินดีที่จะฟังธรรมก็มีปัญญามาก ถ้ารังเกียจบัณฑิตห่างให้ไกลไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังก็เป็นเหตุให้มีปัญญาน้อยอันนี้ได้กล่าวโดยสรุปในจุลกรร ม, มะวิพังกสูตรมัชิมนิกายอุปริปันนาตเนี่ยนะที่กล่าวถึงกรรมและผลของกรรมส่วนเกี่ยวกับเรื่องกุศลเป็นต้นก็ไวป้ปรงพรุ่งนี้ต่อไปวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เนี่ยนะด้วยผลบุญคุณงามความดีเหล่านี้ขอจงเป็นปัจจัยให้พวกท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญ ในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสบมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตรัสรู้อริยสัจ ต, ตามพระพุทธเจ้าทั่วกันอนุโมทนา